อันนี้พาใครมาบ้างมาเองมาที่ศิ์าโยมทั้งนี้มาจากที่ไหนอ่ามาข้างแรกเหรอเลยรู้จักที่ดีได้ยัง YouTube อ่า มีธุระอะไรหรือเปล่าเจาะจงมีธุระอะไรมาหรือเปล่าก็ตั้งใจอยากฟังบอาจารย์อยากจะฟังอะไรอ่ะขอให้เป็นธรรมได้ทุกอย่างครับผมที่นี่เป็นเหมือนอาา ร, ร้านอาหารตามสั่ง อยากจะัประทานอาหารชนิดไหนอยากจะฟังธรรมะชนิดไหนก็บอกอะจะได้เล่าให้ฟังอาหารใจดีกว่าอาหารใจมันก็มีทั้งแบบจืดๆใ <c oughs> นในทั้ทงมีเผ็ดเผ็ร้อนร้ <c oughs> <c oughs> อน <c oughs> ออจืดดีกว่าครับอจืด <c oughs> วนนี้เขาชบเป็ดตอนวันนี้เขาขาขาประจำวันนี้ของเผ็ดๆนอนๆมีใครอยากจะทำอะไรบ้างถ้าไม่มนะาเคย่านเจอแล้วที่สุดกอาจารบอกว่าไม่ต้องอ่านหนังสือให้อ่านใ คือถ้าเราอ่านใจมเป็นเราก็ไม่ต้องอา่านหนังสือถ้าเราอ่านใจไม่เป็นเราก็องไปอ่านหนังสือหนังสือเาสอนวิธีอ่านใจคือเราเราแปลึี่ว่าอ่านใจนะี่มาวาว่าเพราะอะไรนะนสิให้ให้ใจบรสึไปเรื่อยๆอันนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่างั่นละก็อ่านใจก็คือดูใจ ดูว่าใจเราทุกข์หรือสุขทุกข์ทุกข์กเพราะอะไรสุขสุขเพราะอะไรก็กำจัดความทุกข์สร้างความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็ต้องอ่านหนังสือหนังสือธรรมะหรือการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่ก็เป็นการอ่านเป็นการศึกษา เพื่อหาความรู้วิธีที่เราจะมาพัฒนาจิตใจของเราให้จิตจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นีเรายังไม่รู้ว่าใจของเราสุขได้อย่างไรทุกได้อย่างไรถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องมาศึกษาไม่ต้องอ่านหนังสือนี้เวลาปฏิบัติเนี่ย ขั้นที่เราขึ้นไปนเรื่อยๆเนี่ยมันมันจจัดการเพรมันออกมาจาเด็กใช่ไหมคะคืออีกหนึ่งีแไปแลวสคือขั้นที่เราปฏิบัตินี้เป็นเป็นการสร้างวิธีสร้างเครื่องมือเช่นทาบุญทําทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญานี่เป็นเครื่องมือที่จะมากำจัดความทุกข์เป็น เป็นเครื่องมือที่จะมาสร mm. uh. ้างความสุขให้กับใจเนี่่างคน personality likes to talk อันน้เป็นอะไรอันนี้เหมงไม่สพูดเพิเจอมันก็เสียเวลา ถ้ามันพูดมันก็ต้องคิดถ้ามันคิดมันก็ไม่สงบมันก็ไม่มีสมาธิเข้าใจไหมที่เขาไม่ให้พูดเพราะว่าเขาต้องการให้หยุดคิดหยุดที่เขาไม่ให้ทำอะไรเนี่ยให้ถือสีงเพื่อจะได้ไม่ใช้ความคิดความคิดคิดไปแล้วมันทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีความสุข ทำให้ใจเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็พาพาให้ไปทําอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ไปมีเรื่องมีราววุ่นวายต่างๆขึ้นมาคิดเรื่องแฟนมันก็จะหาแฟนคนใช่หคนหนุ่มคนสาวเขาจะคิดเรื่องอะไรกอคิดเรื่องแฟนพอคิดเรื่องแฟนแล้วเขาก็ต้องไปทําตามที่เขาคิด แล้วก็ไปหาแฟนกันไปหาแฟนขอได้แฟนก็แต่งงานกันพอแต่งงานกันเดี๋ยวก็มีลู ก, กอันนี้ก็มันก็มีเรื่องให้ทำนี่นมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกนะใช่ไหมปวดหัวกับลูกนะปวดหัวกับแฟนนะปวดหัวกับการหาเงินหาทองอยู่เลี้ยงดูครอบครัว ถ้าตัวคนเดียวมันก็ไม่ค่อยวุ่นวายนี่มีสี่คนที่มันมาสี่คนนั่นสิถ้าต่างคนต่างอยู่ก็คนละอยู่คนละคนต่างคนต่างดูแลกันไม่ต้องมานี่มาอยู่ร่วมกันสี่คนก็เลยต้องมามีอะไรต้องทําอยูอ่ความสุขที่ได้จากการมีแฟนก็หายไปหมดเพราะ ความทุกจากการที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวมันก็ทำให้เราต้องวุ่นวายกับการไปทำงานไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ยังต้องมามีความห่วงใยกันเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อพอเราขาดการติดต่อเพียงชั่วระยะสั้นๆเราก็เริ่มตกใจแล้ ว, ส, ส, ส, ลวส่งลูกไปโรงเรียนถึงเวลาทำไมยังไม่กลับมานี้ก็เริ่มวิตกกงังวลแล้วมันมีสารพัดปัญหาตามมาถ้าเราไม่คิดที่อย่างนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธใจสงบมีความสุขก็ไม่อยากมีแฟน อยู่คนเดียวไปบวชสบายไม่ต้องมาทุกกับแฟนไม่ต้องมาทุกกับลูกไม่ต้องมาทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่หามาได้เนี <c oughs> yeah. ่ยศีลนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะกันไม่ให้เราไปคิด ไม่คิดไปในทางที่เสียหายคิดฆ่าคนคิดรักทรัพย์คิดประพฤติผิดประเวณีมันต้องใช้ความคิดทั้งนั้นทีนี้ถ้าเราถือศีลถึงแม้จะคิดเราก็ยังทำไม่ได้เมื่อเราทําไม่ได้เราก็ไม่มีปัญหาตามมาเห็นถ้าเราถือศีลแปดกันได้ตอนที่ยังไม่มีแฟนนี้เราก็จะไม่มีแฟนใช่ไหม เอาสินแปดเขาห้ามไม่ให้มีแฟนนี่เราไม่ถือสินแปกันเราถือสีนห้าสีนห้ายังอนุญาตให้ไปมีแฟนได้แล้วเราก็คิดเรื่องอื่นคิดคิดเรื่องนั้นเร่งนี้มันก็เกิดความอยากต่างๆตามมาเป็นเป็นลูกโซ่อยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ต้องไปหาไปซื้อกัน ซื้อก็ต้องใช้เงินทองอไม่มีเงินทองก็ต้องไปหางานต้องไปทํางานไปหาเงินหาทองกันอมีอุปสรรคก็ต้องพันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพราะการหาเงินหาทองมันไม่เหมือนกับอลองน้ําฝนใช่ไหมมันไม่ง่ายเหมือนลองน้ําฝนนอจะได้เงินสักก้อนอย่างนี้ก็ต้องดูช่องทางว่าเรามี ศักยภาพในการหาเงินทางไหนเราก็หากันไปแล้วถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจแล้วถ้ายังอยากได้ก็อาจจะต้องไปหาวิธีที่เราไม่อยากจะหาก็ได้วิธีทําผิดกฎหมายเพื่อที่เราจะได้รายได้มาใช้กับความอยากของเรานี่แหละคือปัญหา พระเจ้าจถึงสอนให้เราเนี่ยทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาอันนี้เพื่อสกัดความอยากต่างๆสกัดความอยากที่เกิดจากความคิดต่างๆที่ให้มาทำบุญนี้เพราะว่าถ้าเรามีเงินเหลือใช้มีเงิน ที่เราไม่ต้องใช้กับสิ่งจำเป็นสิ่งจำเป็นก็คือปัจจัยสีอาหารที่วัสดัยยารักษาโรคเครื่องนึ่งหม่มถ้าเรามีพอแล้วเรายังมีเงินที่จะซื้อของได้อีกเราก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ขึ้นมาเห็นอะไรที่เราชอบเราก็จะซื้อกันซื้อแล้วก็ติดพอซื้อแล้วก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆถ้ามีเงินก็อยากจะซื้อ แล้วพอเงินไม่มีก็ยังอยากจะซื้ อ, อเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับการไม่มีเงินมันก็จะทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงินมาเพิ่มเพื่อซื้อของตามความอยากของเราพระเจ้าเลยบอกว่าเอาเงินที่เราจะซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทาบุญดีกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราหยุดซื้อของตามความอยากได้ ทุกครั้งอยากจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ทั้งๆที่เรามีอยู่เต็มตู้แล้วเราก็เอาเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นี้ไปทําบุญทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องทำกับพระก็ได้เอาไปให้คนอื่นอะคือการทําบุญก็คือเอาเงินเอาของไปให้คนอื่นให้พระก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พี่ให้น้องก็ได้ให้ศัตรูก็ได้ ให้ศัตรูได้ยิ่งดีอ่ะอย่างคุณต่อเมื่อวานนี้แกบอกแกขับรถไปขี่รถไปยังไงมันจะไปมีความโกรธเกลียดใครขึ้นมาแล้วพอดีได้สติก็เลยไปซื้อขนมไปให้เขาไงเพืะจะได้อล้างศัตรูอสร้างสร้างมิตรขึ้นมาเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรขึ้นมา อ, อย่างนี้จะได้ประโยชน์กว่า การที่เราเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อเป็นเสื้อผ้าตอนนี้เราพอใส่แล้อยังพอแล้วเราซื้อมาแล้วมันทำให้มันมันดีขึ้นไหมมันก็เหมือนเดิมใช่ไหมมันไม่ได้มากำจัดความเดือดร้อนถ้าไม่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าถูกไฟไหม้บ้านไฟไหมนะ้ไปซื้อชุดใหม่เลยทีนี้จะซื้อกี่ชุดก็ว่าไป เพราะมันจําเป็นมันซื้อเพื่อบรรเทาทุกแต่ถ้าเราไม่มีทุกแล้วเราไปซื้อมามันก็ไม่ได้บรนเทาอะไรมันก็ทําให้เสียเงินทองไปเปล่าประโยชน์แล้วก็ไปสร้างความอยากให้ให้เป็นนิสัยขึ้นมาแล้วมันก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราทําตามความอยากแล้วความอยากมันจะกลับมาชวนเราใหม่เช่นวันนี้เราไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ กลับจะมาชวนเราใหม่ไปซื้อของวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะชวนเราไปซื้ อ, อคนบางทีอยู่ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรมีเงินทองจะทำอะไรไดีก็ไปซื้อของกันไปช้อปปิ้งกันถ้าเอาเงินทองที่จะไปซื้อของนี้มาทำบุญกันต่อไปมันก็จะไม่อยากจะซื้อของมันอยากจะทำบุญมากกว่าทำบุญแล้วมันทำให้มีความสุขใจ มีมิตรมีเพือ Tim, เอเอ food, ่อนฝูงทำลายสัตรูได้คนที่เราโกรธเกลียดกันชวนเขาไปชอปปิ้งเลยเราอยากจะซื้ออะไรซื้อเลยเราดูดบัตรให้อย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่กี่วันเดี๋ยวก็รักกันตายนี่คือการใช้เงินเพื่อกำจัดความอยากซื้อของฟุ่มเฟื่อยซื้อของไม่จำเป็น ซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากหรือทําอะไรต่างๆตามความอยากอันนี้ก็จะทําให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นเพราะความอยากน้อยลงความอยากนี้เป็นต้นเหตุของทําให้ใจเราไม่สุขกันใจร้อนใจไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายเพราะความความอยากพอเวลาอยากแล้วเรารีบร้อนขึ้นมาทันที จะไปไหนก็ต้องไปให้ได้เร็วๆให้ถึงที่เร็วๆเร ว, วก็เลยไปเบียดเบียนคนอื่นเขาขับรถบนทางถนนก็ไปปาดหน้าปาดหลังเขาเพราะอยากจะไปเร็วๆไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเพราะความอยากเนี่ยนี่คือเรื่องของความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่มีความอยากหรือไม่มีความอยาก ถ้าเกิดความอยากแล้วใจเราจะร้อนขึ้นมาใจเราจะวุ่นขึ้นมาจะไม่สบายวันไหนที่เราไม่มีความอยากนี่เราอยู่เฉยๆนึกเสกสบายใจอยู่บ้านได้ไม่ต้องทําอะไรหรืออยู่บ้านก็ทํางานบ้านกวาดถูบ้านเช็ดบ้านซักเสื้อผ้าทําอะไรไปก็มีความสุขอันนี้คือเครื่องมือที่จะมาสร้างความสุขด้วยการทาทาน เครื่องมือที่มาสร้างความสุขด้วยการถือศีลเพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลเดี๋ยวเราจะไปทำเรื่องราวที่ทำให้ใจเราวุ่นวายกันไปฆ่าคนอย่างนี้ไปรักทรัพย์ไปชอกโกไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปดื่มสุรายาเมา การปพฤ้นเหล่านี้มันทำให้ใจเราวุ่นไม่ไม่ใช่ ส, สงบแล้วก็ติดด้วยไม่ใช่ไม่ติดติดเป็นนิสัยด้วยถ้าเคยโกหกแล้วก็ชอบโกหกไปเรื่อยๆเคยรักทรัพย์ก็ชอบจะรักทรัพย์ไปเรื่อยๆชอบขี่โกงชอบโกงเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสยัยทาอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสยัย ถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะต้องเสี่ยงต่อการรับโทษขโมยของวันนี้อาจจะไม่ถูกจับก็ได้ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขโมยใหม่โกหกหลอกลวงวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาอีกเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะจับเราได้พอจับได้ก็จะถูกไปจับไปลงโทษแล้วขณะที่ยังไม่ถูกจับก็ใจก็ไม่สบาย เห็นตำรวจเดินมาก็คิดว่าเขาจะมาจับเราเนะอะบางทีตำรวจเขาไม่รู้เรื่องเรานะเขาก็พอดีเดินผ่านมาสวนทางกันเดินสวนทางกันก็คิดว่าเขาจะมาจับเราเลยเข้าคุกเข้าตราดเพรเราเป็นเหมือนวัวสัน่นหลังหวะเวลามีอะไรมาแตะแทะหน่อยเอมันก็เจ็บขึ้นมาทันทีอันนี้ถ้าเรารักษาศีลได้ ใจของเราจะไม่วุ่นวายไม่วิตกกังวลว่าจะถูกไปจับไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดลองโกโหกแฟนดูเลยเราจะรู้สึกไงจะมองหน้ากันได้ไหมเดีย๋ยวเกิดแฟนเขาไปรู้ว่าเราไปโกหกเขาเนี่ยเราจะไม่สบายใจเขาก็จะไม่สบายใจเราต่อไปความเชื่อใจกันก็จะหมดไป อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงถ้าอยู่ด้วยความหวาดระแวงมันจะไม่มีความสุขพอเราจะอยู่ร่วมกันนี่ต้องมีความเชื่อเชื่อใจกันถ้าไม่เชื่อใจกันก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าอ น, นี่ก็เป็นเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะทาให้ใจเราตัดความวุ่นวายใจ เมื่อไม่มีความวุ่นวายใจมันก็มีความสงบความสงบก็คือความสุขความวุ่นวายใจก็คือความทุกข์แล้วพอเรารักษา5ห้าข้อได้ก็อยากจะให้มันสงบมากกว่านี้วุ่นวายน้อยกว่านี้ห้าข้อมันก็ยังมีข้อที่ไม่ห้ามที่ทำให้เราไปมีวุ่นวายใจได้ ย, ยังไม่ห้ามให้ไปเที่ยว ยังไม่ห้ายังไม่ห้ามให้นอนกับแฟนยังไม่ให้ยังไม่ห้ามกินข้าวจะกินกี่มือ้อกี่ครั้งเลยยังกินได้ยังไม่ห้ามเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำผ้าทําผมมันก็มาวุ่นกับไ้เรื่องราวเหล่านี้กันเองแทนที่จ ะ, อ, ะอยู่เฉยๆมีความสุขความสบายก็ต้องมาวุ่นกับเรื่องเหล่านี้ถึงจะสบาย ต้องนอนกับแฟนถึงจะสบายถ้าอยู่คนเดียวก็เหงาว้าเวต้องกินข้าวทุกต้องกินอาหารตามเวตามความต้องการอยากจะกินเมื่อไหร่ก็เปิดตู้ตู้เย็นตู้อะไรออกมาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ใจเราไม่สงบถ้าใจไม่สงบแล้วถึงแม้จะมีความสุขจากการทำกิจกรรม มันก็เป็นความสุขชั่วคราวแต่เป็นเป็นความสุขที่ถ้าไม่ได้ทำเมื่อไหรก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีแล้วก็จะมีเวลาที่จะไม่สามารถทำได้คือบางทีเงินไม่มีไปเที่ยวเงินไม่มีไม่มีเงินไปซื้อเครื่องแต่งตัวไม่มีเงินไปกินอาหาร ไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านต้องกินในบ้านก็มีแต่ทอดไข่ต้มไข่ถ้าออกไปกินนอกบ้านก็มีแบบเปิดพิสดารแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาเงินอีกก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินนีกแล้วก็เสี่ยงกับการทําผิดผิดกฎหมายผิดศีล ใช้เงินมากๆ ก, ก็ต้องหาเงินมากๆถ้าอยากได้เงินง่ายๆได้เร็วๆได้มากๆ ก, ก็ต้องก็ต้องทำผิดกฎหมายต้องโกงขายของก็ต้องหลอกคนซื้ออ๋อซื้อมาแค่นี้แค่นั้นความจริงโกหกเขาขายไม่ได้ละ่ะขาดทุนถ้าเขาต่อก็บมต่อไม่ได้ขาดทุน นี่ก็เป็นลักษณะของอความเสียหายที่เกิดจากการไปทำกิจกรรมตามความอยากต่างๆเพราะกิจกรรมเหล่านี้ถ้าไม่ทำไม่ตายหรอกเข้าไมถ้ากิจกรรมไหนที่ไม่ทำแล้วไม่ตายนี้ถือว่าไม่จำเป็นไม่ต้องทำดีกว่าถ้าเราเห็นว่ากิจกรรมที่เขาห้ามไว้ในศีล สินงแปะนี้ไม่จําเป็นเราก็อย่าไปทํามันสิสบายกว่านอนคนเดียวอยู่คนเดียวอต่อไปเราก็จะไม่เหงาใหม่ๆ ม, มันเหงาเพราะเราเคยอยู่กับแฟนนอนกับแฟนพอเวลาไม่มีแฟนเข้ามันก็จะเหงาแต่ถ้าเราหัดอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่เหงาของเหล่านี้เราหัดได้ เรื่องอาหารการกินก็กินตามเวลากินตามความจำเป็นอย่าไปกินตามความอยากแล้วก็อย่าไปเสียเวลากับการไปเที่ยวไปดูมหรหสพบันเทิงอะไรต่างๆเสียเวลากับการต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอยู่บ้านหรือไปอยู่วัดเพื่อที่จะได้ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบ อันนี้จะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการไปเที่ยวจากการรับประทานอาหารจากการนอนกับแฟนจากการดูมหรสบบันเทิงต่างๆนี่เป็นการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่ให้เราได้เข้ามาที่ใจเราถ้าเรายังไม่ ไม่ทำบุญทาทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเนี่ยไม่นั่งสมาธิใจเราจะออกไปข้างนอกตลอดเวลาใจเราจะหันไปหาแต่สิ่งต่างๆแล้วก็เกิดความอยากกับสิ่งต่างๆคำว่าหันก็คิดถึงมันไงคิดถึงขนมน ม, นมเนยคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรต่างๆคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยว จะไม่มองที่ใจจะไปมองที่ข้าวของที่เราอยากได้กันจะไปมองที่กิจกรรมที่เราอยากจะทำกันมันก็เลยต้องไปทำตามสิ่งต่างๆแล้วก็วุ่นวายไปกับการกระทำสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรารักษาสีแปดได้เรามานั่งสมาธินึงใจให้ออกจากเรื่องราวต่างๆด้วยการใช้สติ สตินี่จะหยุดใจให้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงบุคคลต่างๆถึงสิ่งต่างๆแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบนี่ใจก็จะเห็นใจแล้วพอเห็นใจแล้วทีนี้ก็ดูใจได้แล้วอ่านใจได้แล้วดูที่ใจเนี่แหละจะเห็นว่าใจสงบมีความสุขจะเห็นว่าใจอยากมีความทุกข์ ก็จะเอาแค่นี้แหละเวลาใจอยากขึ้นมาก็หยุดมันเสียถ้ามันไม่ยอมหยุดก็ต้องเอาปัญญามาช่วยหยุดมันถ้าบอกให้มันหยุดมันไม่หยุดก็ต้องเอาปัญญามาช่วยปัญญาก็บอกว่าทำตามความอยากแล้วมันจะท่องทำเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ทำก็จะทุกข์หรือถ้าได้สิ่งที่อยากได้มา พอสูญเสียสิ่งที่อยากได้มาไปก็จะทุกข์อีกให้มองให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่นมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวได้แฟนมาแล้วเสียแฟนไปไม่มีใครคิดว่าจะต้องเสียแฟนไปเวลาได้แฟนมาแล้ววันดีคืนดีก็เสียไปขึ้นมาทำยังไงก็ทุกข์เท่านั้น คนที่ยังไม่เสียแฟนยังไม่รู้ต้องไปถามคนที่เสียแฟนแล้วถึงจะรู้ว่าทุกข์ไม่ทุกข์เวลาต้องเสียของที่เราลักไปเสียสิ่งที่เรารักไปนี้เป็นอย่างไรเ mm hmm. นี่ยมีพ่อคนหนึ่งก็เสียลูกชายไปลูกชายไปบวชแล้วก็ไม่ทราบไปที่ห้อ ง, งน้ำก็มีที่มะ ที่ทำไฟฟ้ามต้มเครื่องต้มน้ำร้อนอะไรนี่แล้วไฟโดนไฟดูดตา ย, ยพอไม่เคยคิดว่าลูกจะตายไม่เคยคิดว่าจะต้องทุกข์แบบนี้ไม่เคยคิดว่าใจจะต้องทุกข์เลยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายจากกันแต่พอมันตายจริงๆนี่มันใจมันทุกข์ขึ้นมาโดยที่ห้ามมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้จนวันนี้ เมื่อสองวันการภรรยามาบอกว่าตอนนี้กำลังจะไปบวชแล้วเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราลักไปก็เลยไม่อยากจะมีอะไรแล้วอยู่คนเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่แบบพระก็เลยตัดสินใจไปไปบวชเพราะว่าเขามองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ไม่ว่าของอะไรที่เขามีอยู่เขาจะต้องเสียไปเขาต้องจากไปต้องมีการจากกันไปในที่สุดเวลาที่จากกันนี้มันไม่มันไม่สุขเลยมันทุกข์นี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญามองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันเป็นทุกข์เวลาเราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะได้ ใช้ปัญญามาสอนพอเราใช้ปัญญาสอนเราก็จะหยุดความอยากได้พอเราหยุดความอยากได้ความสงบก็จะกลับคืนมานี่หมายถึงขั้นที่เราเข้าไปถึงตัวใจแล้วนะตอนนี้เราไม่ต้องดูเรื่องอะไรดูแค่เรื่องทะเลาะกับตัวเราเองดูที่ใจเราเนะี่ยพอมันอยากป๊อบก็ต้องบอกว่าอยากไปทำไมอยากแล้วได้อะไรได้สุขหรือได้ทุกข์กันเนี่ย คุยกันไปคุยมาเถียงกันไปเถียงกันมาเดี๋ยวมันก็ต้องยอมจานวนด้วยด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาไม่ว่าจะอยากกับเรื่องอะไรนี้ใช้ปัญยามาดับได้หมดแก้ได้หมด น, นี่เขาพูดถึงการดูใจก็ถึงขั้นนี้แล้วคือเราต้องเข้าไปสู่ขั้นสงบแล้วเราถึงจะเข้าถึงตัวใจถึงจะเห็นใจ ถ้าเรายังไม่เข้าสู่ความสงบนี้เราจะไม่เห็นใจเพราะเราหันหลังให้กับใจเราหันหน้าให้กับสิ่งต่างๆภายนอกใจตอนนี้เรามองออกไปข้างนอกเรามองไปที่ลาบยศสรรเสริญมองไปที่รูปเสียงกลิ่นรสมองที่คนนั้นคนนี้เราเลยไม่ได้มองใจเราแล้วเราก็ไปมองว่าเวลาเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุข แต่เรายังมองไม่เห็นว่าเวลาที่เราเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วเราจะมีความทุกข์กันเรามองเห็นด้านเดียวเห็นด้านสุขแต่ไม่เห็นด้านทุกข์พอเวลาไปเจอด้านทุกข์เข้าก็เลยทุกข์มากทรมานมากบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าเราไม่ได้มองอย่างรอบคอบ มองไม่เห็นถ้าเราไม่ได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้มองในด้านที่จะทำให้เราทุกข์กันเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาจะต้องอยู่กับเราจะต้องดีกับเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราจะไม่มีวันสูญเสียอะไรไป แต่ไม่ช้าก็เร็วชีวิตของคนเราทุกคนจะต้องพบกับการสูญเสียจะต้องพบกับ ก, บ ก, บการพาดพาจากกันแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะถึงจะรู้ลิตของของความสูญเสียว่ามันทุกข์ขนาดไหนแล้วจะอยู่ที่ว่าจะปรับตัวเองแก้ปัญหาได้หรือไม่บางคนกทท็ทนทรมานไปจน สักระยะหนึ่งมันก็หายพอหายแล้วก็ลืมก็เอาใหม่ไม่เข็ดเสียแผนไปใหม่เดี๋ยวปีสองปีเดี๋ยวก็ลืมเนื่องความเดี๋ยวมีใครมาจีบหน่อยก็ไปแล้ะหลงอีกแล้วเพราะไม่ดูใจดูแต่ของภายนอกหรือว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าเราดูใจเราจะเห็นว่าเวลาเราอยากได้อะไรนี้ ใจเราจะกระเพื่อมใจเราจะไม่สงบเราก็เลยคิดว่าการไปได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วทำให้ใจเราสงบเราก็คิดว่าวิธีแก้ความไม่สงบของใจก็คือต้องแก้ด้วยการทำตามความอยากเวลาอยากได้แล้วในใจมันแมหมงุดเหยียดลาคาลแต่พอได้มาแล้วหายหมดเหยียดหายลาคาลก็เลยคิดว่าการทำตามความอยากนี้ เป็นวิธีทำให้เรามีความสุขแต่มันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องแก้ความอยากไปเรื่อยๆแล้วพอเราไปเจออุปสรรคไม่สามารถแก้มันได้เราก็เดือดร้อนเช่นเงินไม่พอใช้อุปสรรคของการแก้ปัญหาด้วยความอยากก็คือเงินจะไม่พอใช้กันถามได้เลยทุกคนทุกคนที่ใช้เงินทองเพื่อเพื่อแก้แก้ความหงุดหจจงิดใจนี่จะต้องเจออุปสรรค พาเงินมันจะไม่พอใช้แล้วในที่สุดมันก็ต้องก็ต้องทนก็ยอมทนไปเพื่ อ, อาหาเงินต่อพอได้เงินมาแล้วไปอีกแล้วซื้ออีกแล้วใช้อีกแล้วชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสุขบ้างทุกบ้างแต่จะไม่มีวันสุขอย่างแท้จริงจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แต่ถ้าเราได้มาพบกับวิธีของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าบอกว่าวิธีที่จะทำให้เราพ้นทุกข์วิธีที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขก็คืออย่าไปเป็นทาสของความอยากอย่าไปทำตามความอยากแก้มันด้วยวิธีต่างๆถ้าจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทำบุญหรือเก็บไว้ใช้กับกับของที่จำเป็นเพราะวันข้างหน้าเราอาจจะ ไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถหาเงินหาทองได้ก็เอาเงินนี้ทำบุญกับเราก็ได้เก็บไว้ถ้าเอาเงินเก็บไว้เพื่อซื้อของจำเป็นนี่ก็ก็เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษแต่อย่าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อมาได้เดี๋ยวเดียวดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วก็โยนทิ้ง่ะบางทีใส่ได้สองสามครั้งก็แขวนไว้ลเก็บไว้ในตู้ไม่ได้แตะมันอีกแล้วเนี่ยอย่าใช้เงินแบบนี้ ไม่ว่าถ้าเรามีเก็บไว้มากเกินไปก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซื้อมิตรภาพเราไปช่วยใครเขาก็รักเราชอบเราวันข้างหน้าเราเดือดร้อนเขาก็จะช่วยเราพึ่งพาอาศัยกันอันนี้ก็เรื่องของการใช้เงินก็ต้องเอาใช้เงินให้ถูกต้องอย่าใช้เงินตามความอยากการกระทาก็อย่าทาตามความอยาก โดยเฉพาะการกระทำที่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะมันจะกลับมาหาเราไปฆ่าเขาเขาก็จะมาฆ่าเราไปรักทรัพย์ของคนอื่นเขาก็จะมารักทรัพย์ของเราเราะั้นเราอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอย่าไปทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาทำให้เราเดือดร้อนแล้วถ้าเราอยากจ ะ, ะมีความสุขมากกว่านี้เราก็ต้องหยุดกิจกรรม ที่ไม่จําเป็นที่เราไม่ควรทําไม่ต้องทำํำเช่นไม่ต้องมีแฟนอยู่คนเดีย ว, วเป็นโสดไปบวชเนี่ยเป็นพระว่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกจิตทําจิตให้สงบอย่าปล่อยให้คิดพอไม่คิดแล้วจิตจะสงบสงบแล้วความอยากก็จะหายไปความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จาก การไปทำกิจกรรมต่างๆพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพียงแต่รักษาความสุขนี้ไว้แต่เรายังมีตัวที่ยังมาทำลายความสุขอยู่คือความอยากความอยากที่เราหยุดมันเราหยุดมันได้ชั่วคราวด้วยกาลังของสติแต่เรายังไม่สามารถกาจัดมันได้อย่างท้าวรจะกาจัดมันได้ต้องใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าให้เห็นว่า การไปทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์กันเช่นไปสูบบุหรีปปห่นี่ไปหาความสุขหรือไปหาความทุกข์กันไปดื่มสุราไปเสพยาเสพติดไปเที่ยวไปเล่นมันเป็นการไปหาความทุกข์มัน ไ, ไม่ได้เป็นการไปหาความสุข pointers. ถ้าใช้ปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้าการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้น อยู่เฉยๆดีกว่านั่งเฉยๆอย่างนี้สบายจะตายเลยไม่นั่งกันนั่งไม่ไหวบอกให้นั่งหัเก้าอี้นั่งสบายๆวันละหกชั่วโมงเนี่ยนั่งได้สบายต่อไปจะอยู่เฉยๆได้ต่อไปจะชนะความจะมีกำลังสู้กับความอยากได้ตอนนี้เราไม่มีกำลัง สู้กับความอยากได้บางอย่างความอยากบางอย่างสู้ไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสติให้หยุดความคิดได้ฝึกปัญญาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากได้ต่อไปเวลาเกิดความอยากจะทำอะไรนี่เราจะหยุดมันไะด้เราจะถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นจะต้องทำไหมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปทำอยู่เฉยๆดีกว่ามีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่าการไปทาอะไร อันนี้ต้องปฏิบัติถึงจะรู้ <c oughs> ถ้าไม่ปฏิบัติยังไม่รู้ถ้าใจยังไม่สงบถ้าใจยังไม่นิ่งถ้าอยู่เฉยๆยังไม่ได้นี่ยังไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนี่มีความสุขอย่างไร <c oughs> เพราะเราไม่เคยมีความสุขกับการอยู่เฉยๆเลยเรากลับมีความทุกข์กับการอยู่เฉยๆเราก็เลยต้องไปทำนูน่นทำนี่เ <c oughs> นี่ยเราต้องมาหัดอยู่เฉยๆให้มันเกิดความสุขขึ้นมาให้ได้ ก็คือการนั่งสมาธินี่นั่งแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดอะไรถ้าเรานั crest, ่งเฉยๆแล้วเราจะคิดถ้าเรามีเรื่องให้มันทํามันจะคิดไม่ได้ถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้เราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไนหะมก็คิดไม่ได้ถ้ามันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็นิ่งมันก็จะสงบ มันจะตกหลุมตกบ่อมันจะวูบลงไปตัวพุทโธนี่เหมือนเป็นตัวคอยดึงให้มันไปตกหลุมตกบ่อเพราะเหมือนกับลูกก๊อฟเนี่ยพอลูกก๊อฟมันไหลเข้าไปในหลุมแล้วมันก็ไม่ไหลแล้วมันก็ไม่เก้งไปไหนแล้วใจก็เหมือนกันพอมันตกหลุมตกบ่อมันก็นิ่งมันก็สงบแล้วมันก็สบายสุขหนอสุขหนาะอันนี้แหละ มหาเศรษฐีก็ซื้อสุขแบบนี้ไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้ต่อให้มีมเงินมีทางมีตำแหน่งมีอํานาจอะไรก็ไม่หาไม่สามารถซื้อความสุขสุขหนอนี้ได้ต้องปฏิบัติอย่างเดียวต้องถือศีลแปลต้องอยู่คนเดียวแล้วก็มีสติควบคุมใจตลอดเวลาถึงจะสามารถดึงใจให้ไปตกหลุมตกบ่อได้ บอ่อของความสุขเนาะสุเนาะพอเราได้ตกหลุมตุกบ่อแล้วถ้ากิเลสมันจะดันออกมาเราก็ใช้ปัญญาสอนหนอว่าอย่าไปพออยากจะไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำก็อย่าทำอยากจะดื่มอยากจะกินอะไรที่ยังไม่จำเป็นจะต้องดื่มจะต้องกินก็อย่าไปดือมถ้าจะกินจะดื่มก็ต้องมีเว ล, เวลาเช่นเป็นพระท่านก็สอนให้ ดื่มกินหนงเดียวถ้าจะดื่มน้นั้นก็ให้ดื่มน้ําเปล่าๆไปไม่ต้องมีอะไรถ้ามีกลิ่นมีสีมีรสนี่ก็เป็นความอยากไม่ได้เป็นความต้องการของร่างกายร่างกายไม่ต้องการสีไม่ต้องการกลิ่นของน้ำร่างกายร่างกายนี้ต้องการเพียงแต่น้ําแต่กิเลสมันดื่มน้ําเปล่าๆแล้วมันไม่สดชื่น มันต้องมีสีมีกลิ่นมีรสถึงจะสดชื่นแล้วพอดื่มแล้วมันก็ติดมันก็อยากจะดื่มเรื่อยๆ เ, เด๋ยวน้าตาลก็ขึ้นเราหวานก็ตามมาแต่ถ้าดื่มน้ำเปล่านี้จะไม่มีโทษไม่มีภยัยเดื่มเพราะมันหิวร่างร่างกายมันหิวน้าก็ต้องให้มันดืม่มนี่คือเรื่องของ การการศึกษาวิธีการที่จะทำให้เร า, เาสร้างความสุขดับความทุกข์ของใจพอเราสามารถเข้าถึงตัวใจแล้วถ้าเราเข้าสมาธิได้ตกหลุมตกบ่อแล้วทีนี้เราดูที่ใจอย่างเดียวก็ได้ดูว่ามันอยากหรือไม่อยากถ้ามันอยากก็ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมาหยุดมันสติก็ได้ ใช้ปัญญาได้ก็จะหยุดมันอย่างถาวรเช่นเรารู้ว่ายาเสพติดนี่มันเป็นอันตรายจนวันตายเราก็ไม่ไปกินไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปเสพมันแล้วใช่ไหมถ้าเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนี่เราก็จะไม่ไปเสพมันแแต่เรายังไม่เห็นว่ามันเป็นยาเสพติดเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะเห็นมันว่าเป็นยาเสพติด อันนี้คือเรื่องของการดูใจอ่านใจเราต้องเข้าถึงใจก่อนถึงจะอ่านใจได้ถ้าเราเข้าถึงใจแล้วเราจะเห็นอริยสัจสีที่แสดงขึ้นมาในใจพอความอยากเกิดขึ้นปั๊บทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยเพอปัญญาเข้ามาหยุดมันปั๊บความอยากก็หยุดปั๊บความทุกข์ก็หายไปอันนี้อ่านใจต้องอ่านด้วย อริยสัจสี่แต่ถ้ายังไม่เข้ามาถึงตัวนี้มันจะมองไม่เห็นเวลาอยากปั๊บมันจะไปเห็นที่ของที่อยากแทนแล้วมันไปเห็นว่าการได้ของที่อยากมาแล้วก็จะหายทุกข์จะเกิดความสุขขึ้นมาแต่มันเป็นความความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวความอยากตัวใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วต่อไปตัวนั้นมันจะไม่กลับมา เป็นคนอยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันไม่สูบมันไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากก็หายไปนี่คือการการปฏิบัติการศึกษาตอนนี้ศึกษาก่อนตอนนี้เรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆ ด้วยการใช้เครื่องมือที่พระเจ้าทรงเคยใช้มาแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถ้ายังเกี่ยวข้องกับเงินทองก็เลิกใช้เงินทองไปยพระพุทธเจ้ามีสมบัติก็สละสมบัติไปเลยไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องไปขึ้นเงินทองเป็นเครื่องมือของความอยากแล้วถ้ายังทําบาปทําผิดอยู่ก็เลิกทําเสีย ถ้ายังทํากิจกรรมที่ไม่จําเป็นจะต้องทําก็อย่าไปทำมันทำกิจกรรมมันเดียวก็คือเดินจกกงกรมนั่งสมาธิก็กลุ่มใจให้สงบให้ได้เท่านี้พอใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญามารักษาความสงบเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ก็ใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่าการทําตามความอยากเป็นการไปไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุข การไม่ทำตามความอยากนี่แหละเป็นการที่จะไปหาความสุขพอต่อไปความอยากมันจะหมดพอความอยากหมดแล้วอยู่เฉยๆก็มีก็มีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาจะไปทำอะไรแล้วก็เฉยๆไม่ไป ร, รู้รู้สึกเสียดายเห็นเพื่อนไปเที่ยวเราไม่ได้ไปเที่ยวรู้สึกเหงาเห็นเพื่อนก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาโชว์เราเห็นแล้วเราก็โ อ, โ, โอ้ยน้อยใจ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากแล้ว เ, เฉยๆซื้อมาทำไมเกตะกาะเปล่าอซื้อมาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาร่างกายมันก็มีร่างเดียวแต่มันต้องมีเสื้อผ้าเป็นร้อยชุดใช่ไหมเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดแล้วขายก็จะมาจดบัญชีว่าเราใส่ซ้ำหรือไม่ซ้ำํำใช่ไหมซ้ำก็ซ้ําสร่จไปเสร็จเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้ใครเข้ามาชมเราเราก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ กรพ้านี้ก็มีชุดเดียวทุกมาเนี่ยใส่มาซ้ำเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไมเห็นมีใครว่าอะไรนะลองใส่ชุดซ้ำๆดูสักวันก็ไปเรื่อยๆดใูใครก็จะพูดไงก็เฉยๆไปเฉยๆไปเรื่องของเขาปากของเขาห้ามเขาไม่ได้เรามาห้ามใจของเราสัอย่างห้ามใจของเราอย่าไปอยากให้เขาชมอย่าไปอยากให้เขาไม่ตำหนิเราอันนี้เราก็จะสบายใจ เขาจะไม่ชมเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะํำหนิเราก็ไม่เดือดร้อนแต ใ, ใจเราตอนนี้มันอยากอยากให้เขาชมอยากให้เขาไม่ำํำหนิพอเขาํำหนิหน่อยโอ้ยนาบึงขึ้นมาเลยเวลาเขาชมหน่อยนี่โอ้ยยิ้มแป้นเลยเราไปฝากความสุขไว้กับคนอื่นให้เขามาปั่นเราเหมือนจริ้งหลีดเขาเ้ยเห็นจริ้งหลีดนไะ เอราก็ทําอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็วีดขึ้นมาแล้วเราก็ทำอะไรถูกใจหน่อยโอ้ยชอบเขาลากเขานั่นแหละแล้วเขาจะมาเอาใจเราได้ตลอดเวลาที่ไหนใจเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีเห็นเขาเห็นเราชอบกินนี้นี้ก็ามาให้กินทุกวันก็บ่นเลยไม่มีอย่างอื่ในให้กินเหรอเออผมก็เห็นเธอชอบอย่างนี้ก็ามาให้กิน พอกินบ่อยๆก็เบื่อใช่ไหมเนี่ยเวลาเราฉันนี่นแหละเราระวังกลัวญาติโยมจะคอยดู <laughs> <c oughs> เดี๋ยวจะซื้ออย่างเดียวมาให้กินแล้ว <laughs> ต้องพยายามกินหลายๆอย่าง <laughs> พอยอมเคแเรากินอะไรก็คิดว่าเราชอบอย่างนั้นสวยเล ย, เยซื้อมาอย่างเดียว <laughs> ไม่หรอกโยมก็ทําไปตามความปรารถนาดีก็อยากจะให้คนที่รับของได้รับของที่เขาอยากชอบเขาอยากจะได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้โยมก็ไม่คิดว่าให้โยมคนเดียวเนี่ยโยมมีโยมเป็นร้อยเนี่ยแต่ไม่หรอกนี่เราก็พูดเด่นด้น่ะเดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวจะคิดว่าไง แต่เราเห็นแล้วเข้าใจเนี่ยพบางทีเรากินอะไรเนี่มันจะมาอย่างนี้อย่างเดียวถ้าไม่กินอย่างอื่นมันก็จะมาอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะใครๆก็มาดูของที่เรากินของที่เราใช้อยู่ถ้าเราอยากกินอย่างอื่นก็ต้องหยิบของอางอื่นกินบ้างก็จะเป็น<ฆ>อาจารย์ว่แล้วความเสียของสงเนี่ยอย่างเช่นข้อที่บอกไม่โกหเ น, นีะคะมันก็รวมถึงอะไรนะเสียดสี ไม่ใช่เสียสีสอเสียดส่อเสียดไม่ใช่เสียสีก็พวกนี้ค่ะพวกนี้ผาไมถ้าหรือว่า อ, อมันมันเป็นเสียงข้อเดียวกับข้อข อ, อันนี้สําหรับพวกที่ปฏิบัติธรรมมากกว่าก็คือถ้าใครรักษาได้ก็ดีทั้งนั้นเพราะการพูดอสอเสียดก็ไม่ดีคําว่าสอเสียดคือยุยงให้เขาแตกแยกกั น, มนไม่มมไม่่ใชทีนีอ่อธิบายให้ฟังคําว่าสอเสียดสอเสียดแปลว่าไม่ใช่เสียสีเข้าใจไหม สอสสนเข้าใจผิดถึง น, น, นี่พยายามจะอธิบายให้ฟังคุณก็ไม่ฟังอีก <Okay. S 1> อสอสเสียก็คือไปยุยงให้คนเขาที่รักกันให้เขาทะเลาะ ก, กันให้แตกแยกสามัคคีกันเรียกว่าคูดสอเสียดเจนสามีเขารักกันก็ไปยุยสามีว่าภรรยาไม่ดียักยอกเก็บเงินไปอะไรอย่างงี้ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันก็อย่าไปทําอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเกิดความทุกข์เขาจะ เรื่องเสียดแล้วก็พูดเพ้อเจ้กับพูดเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้การบ้านการเมืองอะไรเงี้ยพูดไปแล้วก็เดี๋ยวก็น้ําลายไหลแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแต่อันนี้ปากไม่ค่หรือว่ามันเสียเวลาทุกบากเลยเดี๋ยวก็ตีกันอ่ะเดี๋ยวก็โกรกกันเดี๋ยวในบ้านเนี่ยสีแดงสีเขียวนะเดี๋ยวใครพูดแล้วเราฟังแล้วมันพี่เลนพี่เลนอ่ะ and we just Strike it back, like have to straighten them out. I need, then i e g e h t s a d o do i n h y a h a a h Ah, y yeah. a yeah. Ah, a h a a h Ah, y ก็พูดให้คนอื่นเขาไม่สบายใจก็ไม่ดีแล้วล่ะแต่เขาทำให้เราไม่สบายใจก่อนเนี่ยอ่าเราก็อ่าเราก็ให้อภัยเมตตาอยากจะแผ่เมตตาไม่ให้เลย <c oughs> อย่าไปแผ่ตอนที่นั่งคน <c oughs> นั่งสวดนั่งสวนมนซ์ซิต้องแผ่ตอนที่เขามาทำให้เราไม่สบายใจ <c oughs> การการนั่งสวดสวดสัพเพสัตตานี้ไม่ได้แผ่เพราะยังเป็นการสอนเป็นการเตือนใจ <c oughs> ว่าเวลาใครเข้ามาพูดอะไรทำร้ายเราเราต้องให้อภยัยสเปส ต, ตาเวลาโหนตุอย่าไปมีเวรมีกรรมกันอย่าไปเเป็นเจ้ากรรมในเวรกันะนั้นการพูดง่ายที่สุดก็คือการไม่พูดอะไรนี่เป็นการการพูดที่ดีที่สุดคือจะไม่ผิดศีลเลยถ้าหุบปากได้เพื่อนฟูงก็บอกว่าจะไ่บายเลย หน้ากันก็ก็ต้องบบสวัสจไม่นอยก็พูดไปแล้วมันก็มีเรื่องมาเถียงเลยไม่รู้จะพูดไปไหนเราพูดมันดีที่สุดคือไม่ต้องพูดแต่ถ้ามันมันอยู่ในกรณีที่ต้องพูดก็พูดเอออันนี้ก็บิดไปทางนู้นอีกไม่รู้จะพูดอย่างนี้มันพูดหาเรื่องกัน ไม่รู้จะพูอันนี้เนี่ยมันถึงทะเลาะกันถึงตีกันเน่ะพาะมันมันต้องย่งกันอยู่เรื่อยใครพูอะไรมากูต้องย้่งมึงอ่ะ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 จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานศีลิสนิจังวุธาปจายิโนจตารธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลาังนี้มาหวาปัญจัยแล้วก็เข้าใจบทิพย์อยอสอนกุณสอไปให้ลูกชาย น, นะคลูกชายเป็นอะไรอะไปเรียนที่ินเดียแล้วก็อาออันนี้ไม่บนสิหยิบไปให้หนเรียนที่ินเดียแล้วก็ แก๊ลัวลงงล่วแก๊โรงแรมร่วแล้วก็เสียชีวิในห้องน้ำแล้วมีเด็กไทยสองคนอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเก้านี้ก็สิบหกแล้วครับเป็นลูกชายเราเหรอลูกชายของเรายายุสิบหกอะอายุสิบห้าปีครับถ้ายี่สิบเก้าเมสาก็สิบหกเต็มไปเรียนที่อินเดียเลยครัไม่รู้ว่ามีลูกชายไม่เคยเล่าให้ฟังเ <laughs> อาว่าลล้วล <laughs> <laughs> ุง ผมก็บอกว่าบางเรื่องไม่ร้องเล่านะผมก็รู้แล้วขพ่อรู้ด้วยวาระจิตถาวะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้กล้สนิทกันครับแต่ว่าอยู่กับแม่เขาอเอล้วส่งประเดียนที่อินเดียไปวันที่เจ็ดเช้าจะขึ้นไปรายงานตัวที่โรงแรมโคเคนนะครับอแล้วก็แก๊สมันรั่วทุกห้องเลยคือคือเขาใช้แก๊สทําความร้อนก็มานก็เลยไม่มีไม่มีออกซิเจนเลยไม่มีออกซิเจนก็ได้คนเปิดแอร์นอนแล้วหลับไปอ เข้ไอซียูสองคนเึ่งชาพนักกิตศกเมื่อวันเสาร์เสียเสียไปกี่คนเสียคนเดียวเหรอเสียลูกผมคนเดียวอ่าอีกสองค น, น ค, คนหนึ่ไม่ไม่ถึงกับตายก็โคม่าเข้าไอซีหลายคนไหมที่ที่สองสองครับเฉพาะในห้องนั้นห้องเดีย ว, วอ่าห้องอื่นครับแต่ว่าที่เสียเนี่ยลูกผมอยู่คนละห้องอ่าอีกสองคนนี่เข้าไอซูแต่เด็กไปทั้งหมดประมาณห้าคนออีกสองคนไม่ไม่เป็นไร เด็กเด็กชายน้องจใยน้องต่อเนี่ยก็ไอซเข้าไอซทุกวันนี้ก็ก็ยังไม่ดีเลครับยังเหมือนเพียบพียไม่ได้มางานศพด้วยก็เอาให้มันเกิดปัญญาเนี่ยดูท่าเนี่ยลูกเราคืเนี่ยนี่คือลูกเราเนี่ยก็เหลือแค่นี้อ่เหลือแค่นี้ก็ก็เอาติดรถไปด้วยครับไปเนีดินน้ํำลมไฟเนี่ยเหลือแต่ดินน้ําก็แยกไปแล้วลมก็แยกไปแล้วไฟก็แยกไปแล้ว ก็ไปอีสานก็จะให้ครูบาอาจารย์ทําอบางสกูลให้เนี่ยร่างกายของเราทุกคนก็ต่อไปก็แค่นี้แหละนะดูว้เนี่ยเป็นของจริงถ่ายรูปไว้ก็ได้เนี่ยั้งแ บ, บ่ในสองส่วนของผมก็จะามาส่วนที่ใหญ่ๆของแม่เขาก็เล็กๆไปลอยังคันเนี่ยเราสามารถรับประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ได้ถ้าเรามองให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ ย, นนยคือร่างกายของคนเราทุกคนในที่สุดก็เป็นอย่างนี้ เหลือแค่นี้แ่ะแต่ใจเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ใจที่เป็นผู้ร่างกายเป็นมันหุ่นเนี่ยใจเป็นผู้เชิดหุน่นผู้ที่เชิดหุ่นไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่เชิดหุ่นยังมีความอยากก็ไปหาร่างคุดไปหาหุ่นใหม่มาเชิดต่อก็ไปเกิดใหม่อ๋อ่าธุครับอันนี้ก็ชื่อครับได้ได้ นะครับคือพ่อแม่ที่สมรสกัก็เรานอุทิศไปให้เขาพอเราเป็นคนทําบุญนะอันนี้เป็นพวกดอกไม้นะครับจริงจกระดูกเป็นสีขาวนี่เป็นพวกดอกไม้ก็มีคับคาบแล้วกระดูกสียเนี่ยเขาเรียกว่ามอราณะนุสติเนี่ยให้เห็นให้เห็นเนี่ยคือร่างกาย ทำมาจากดินน้ำลมไฟพอถึงเวลาเขาแยกกันก็เหลือแต่ดินที่หอ น, นี่ก็เป็นส่วนดินส่วนน้ำมันก็ถูกไฟที่เราเผาไหม้และเหยไปหมดแล้วลมก็หายไปแล้วแต่ตอนนี้เรายังมีอยู่ลมยังเข้าออกอยู่นี่น้ำยังเข้าออกอยู่นี่ไฟยังมีอยู่ความร้อนยังมีอยู่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดพอมันหยุดหายใจปั๊บลมหยุดปั๊บ เดี๋ยวน้ําก็หายไฟก็ออกไปน้ําก็ออกไปทิ้งไว้ต่อไปก็กลายเป็นดินที่ท่านให้พิจารณาสุภาษเนี่ยซากศพสิบชนิดเนี่ยตายใหม่ตายแล้วขึ้นอืดตายแล้วเขียวช้ำตายแล้วก็แยกเป็นท่อนๆตายแล้วถูกนิ้แแ้งกากัดกินมีอะไรหรอือเปล่ามีเท่าไรหรอือเปล่า มีอะไรอยากจะถามอะไรหรือเปล่าคือกวางเาปล่อยช่ไมคือกวางที่นี่เขาเป็นกวางที่เขาเอขยายพันธุ์เมีกวางพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ขยายมันแล้วเขาพอมันโตเขาก็ปล่อยให้มันหากินเองถ้าอยากจะปล่อยก็ลองติดต่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ ท, ที่ที่ด่านก็ได้ถามว่าเขารับไหมเพราะเขาอาจจะ อาจจะมีกฎมีอะไรที่อาจจะไม่ไม่รับก็ได้เพราะว่าเขากลัวเดี๋ยวมันคนละพันกันแล้วเดี๋ยวมันมาผสมพัน์กันแล้วมันมันจะแปรพัน์กายพันไปก็<อ>แล้วแต่ลองถามเจ้าหน้าที่ดูยามที่เฝ้าประตูเนะี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาจะรับอะไรได้หรือมันรับอะไรไม่ได้มีกลางจะเอามา วางเลี้ยงเลยเลี้ยงวางที่บ้านเลยเนีม่ม่ที่ฟาร์มอที่ฟาร์มอืมเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นไยับออกมาเป็ป่าเเขาเเอะไรเงี้ยไดจังข่อยมากอมเออะเขาจะเขาจะหากินข่อยยอังได้หรือเปล่าทางเขไม่เกินเพราะว่าเขาเเาว่าท า, างเพราเราลึ้เราเป็นฟาร์มที่เปิด ไม่ได้ป็นข้าศึกข้อคไม่ได้เลี้ยงมันให้มันทากินเองมีหามีอาหารอีกแล้วเป็นยอที่เขยอะขึ้นที่นี่เขาก็ได้ข่าวว่าเวลามันมากเขาก็ต้องจับมันแล้วไปปล่อยที่เขาใหญ่ไปปไปปล่อยที่ป่าใหญ่เพราะป่าที่นี่มันก็มีแค่สองพันไร่เดี๋ยวถ้ามันเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะมาแย่งอาหารกันเนี่ยมันไม่พอกิน อันนี้เป็นเขตของป่าไม้พระเราเพียงแต่มาอาศัยที่อยู่ปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ะจะทำอะไรในพื้นที่นี้ต้องไปขออนุญาตที่ป่าไม้ก่อนอาจารย์เจ้าค่ ะ, อ, ะอย่างคนที่เสียชีวิตไปแล้วเงี้ยค่ะเราที่มีธรรเนียมเก่เาๆที่เขาไปเคาะโงเอาอาหารให้ทานเนี่ยมัน ก็เป็นทำเล่มเก่าๆแต่เราไม่ทำแล้วเหมือนเราประหลาดต่อคนอื่นเลคะไม่ประหลาดหรอกไม่เราไม่บ้าเหมือนเขาเลยเราไม่ทำแล้วเขาก็โง่เราเราเราไม่โง่เหมือนเขาไงเพราะคนตายไม่รู้เรื่องไปคล้องานมันก็ไม่รู้ก็ไปใส่บาทรกะพร้าง่อะไอย่างเงี้ยใช่ก็แต่ว่าที่ลงเราเขาไ่ทำมันมันอยู่คนเดียวคนอื่นเขาทำกัน ก็ทําตามตามเขาก็ได้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราเราก็รู้เว่าเราแบบอะไรไม่อยากอะไรเขากินเลย rik, luôn, อะไรแบบ น, นั้นประมาณน <K: S 2> ึงก็<ด>ทำไปไงทำไปเพื่อไม่ให้เขามายุ่งกับเราเพราะว่าเขาเชื่อกันอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราไปทําไม่ทําตามความเชื่อเขาก็จะมองเราแปลกๆก็ทําทตามที่เขาเชื่อไปก็ได้โดยที่เราไม่ได้เชื่อทําไปเพื่อไม่มีผลอะไร จะไปมีอะไรล่ะคนตายมันกินได้ไงใช่ไหมคนตายแล้วก็จบล่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนขุนนะเสร็จแล้วเหรอยังยังแปนยังไม่ไปเลยไปแล้วค่ะไปแล้วไปเมื่อไหร่วันนั้นนะคะอ๋อวันนั้นก็ไปเลยนะอ๋ออาจารย์เสร็จกลางเ็นก็ไปค่ะอ๋อสี่มงกว่าอืไปก็สบาย เราสบายไม่ใช่เขาสบายเราอยากให้เขาไปเขาไปเราเลยสบายไม่ใช่ตรือว่าเราเขาก็ทรมานกนค่ะเราไม่รู้ไงว่าเขาทรมานเราว่าเราทรมานมหนเด็กๆเขานอนนิ่งๆย่าไปทรมานได้ไงไอเราไปเห็นเขาเราทรมานแทนเขาใช่ไหมตอนนี้เรานี่ยมันเขาเราไม่รู้ใจเขาหรอกแล้วเราจะ เราเห็นเขาเราทรมานก็เลยไม่อยากจะเห็นเขาเพราะพอเราเห็นเขาว่พอเราไม่เห็นเขาแล้ทีนี้เราก็ไม่ทรมานแล้วก็รู้โร่งดีก็พิไปสบายจริงๆกะบอกเลยที่เขาว่าไปสบายจ้ะคะอก็เก็บไว้กี่วันน่ะก็นี่ก็กำลังตรวจอยู่จ้ะค่ะตรวจเย็นคืน เก่บไวที่สัถิติเนี่ยแหละวนจาร์กถึงจะเผาเ ก, ก็บวันที่วัดหลวงพ่ออีะคะ่ะอื๋ที่ติดกับหลวงพ่ออีก็มีชาพระนัสถานของออันนั้นใครไปใช้ได้อป่ะหรือว่าต้องเป็นฐานหรือต้องขออนุญาตเจ้าข อ, อก็ติดต่อสนิจะ ไ, ได้หมดได้เลยใครก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วบางทีทหารเขาก็มามาทางของหลวงปู่อี๋ค่ะอทหารเองนะคะก็มาที่ทางหลวงปู่ค่ะแล้วการจะศรัทธาเจ้าค่ะ ว่จริงระบบของทหารก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เท่ากับวัดจริงๆเขาเคยจะโอนให้กับวัดแต่วัดเขาก็ไม่หลับละอืวัดก็ผาละก็เยอะเลยค่ะอก็ยังสวดอยู่เจ้าค่ะก็ให้เชื่อบุญเชื่อบาปก็แล้วกันว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราจะมีบุญกับบาปพาเราไปต่อบุญก็พาเราไปสบาย บา ก, ก็พาเราไปลำบากแล้วถ้าเรายังมีความอยากอยู่เดี๋ยวเราก็กลับมามีร่างกายอันใหม่มากได้ร่างกายอันใหม่ต่อมาแก่มาจ็บมาตายต่อถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเราก็ต้องไปบวชไปหยุดความอยากอยู่แบบพระอยู่แบบแม่ชีถ้าไปไม่ได้ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดต่อไป ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปบวชถ้ายังจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็พยายามทาบุญอย่าไปทําบาปเวลาไปจะได้ไปสบายถ้าทําบาปแล้วมันจะไปลาบากใจจะทุกข์ใ จ, จยากจะลาบากเพราะบาปใจจะสบายเพราะบุญอันนี้เป็นของจริงเราไม่ได้ศูน เวลาร่างกายตายไปนี้เราอย่าไปคิดว่าจบทุกอย่างจบยังไม่จบผู้ที่ทําบุญทําบาปคือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ทําบุญทําบาปนี้ยังจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกด้วยเพราะยังตัดความอยากตัดกิเลสไม่ได้ตัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ความอยากได้นั่นได้นี่อยากสวยอยากงาม อยากมีนั่นมีนี่มันก็จะทำให้เราต้องมีร่างกายการตายก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายนี่เข้าใจไะ ม, ไไมร่างกายนี้เก่าแล้วเหมือนรถรถเก่าแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปซื้อรถใหม่จะได้รถดีกว่ารถดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือที่บาปถ้าทำบุญก็จะได้ไดรถดีได้ร่างกายดีร่างกายสวยงามร่างกายสมบูรณ์ ท้าทำบาปก็จะได้ร่างกายไม่ดีร่างกายไม่สวยไม่งามไม่ครบอาการไม่ครบสาสิบสองโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสัน้นนี่เป็นผลของบาปที่ทําเวลากลับมาเกิดเ ป, เป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาะพวกที่ทําบุญนี้เวลามาเกิดก็จะเป็นผู้มาเกิดแบบมีมีวาสนาะ มีทรัพย์มีสมบัติมีเงินทองมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเด็ดเดียวคนเราต่างกันตรงนี้ใช่ไหมทำไมทุกคนถึงเกิดมาไม่เหมือนกันใช่ก็เพราะบุญบุญกับบาปมีมาไม่เหมือนกันเหตุที่ทำให้เรามาเกิดดี<ม>เกิดไม่ดีนี่อยู่ที่บุญที่บาป งั้นถ้าเรายัางคิดว่าเรายัางต้องกลับมาเกิดอยู่ก็พยายามทาบุญไปเรื่อยๆซื้อประกันคืออย่าไปทำบาปรักษาศีลนี่เป็นเหมือนซื้อประกันถ้ารักษาศีลได้ก็จะไม่ต้องไปไปเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเป็นเช่นไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์สี่เท้าหรือไปตกนรก ถ้ารักษาศีลห้าได้รับรองได้ไม่ต้องไปอบายตายพวกก็กลับมาเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าอยากไปเที่ยวสวรรค์ก็ทำบุญด้วยรักษาศีลห้าแล้วก็ทำบุญนีเงินมีทองก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้วัดบ้างให้โรงเรียนบ้างให้โรงพยาบาลบ้างให้คนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเรียกว่าเป็นการทำบุญตามแลวใจของเราก็จะ มีบุญพาไปมีความสุขพาไปกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดดีกว่าดีกว่าคนที่ทำบาป <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องเชื่อกันถ้าไม่เชื่อก็ไม่มีใครบังคับเหมือนกันก็ไม่ห้ามเหมือนกันถ้าไม่เชื่อว่าทาบุญแล้วศูนย์รูท้ทาไปไมเอาเงินไปเที่ยวดีกว่าอ่ะก็เอาไปไม่ว่าเลยใช้เวลา ตายไปทำไมเราต้องส่งบุญไปให้คนตายกันนะที่เราทําบุญอุูที่ให้คนตายก็เราเป็นห่วงเขาเรากลัวว่าเขาอาจจะไม่มีบุญติดตัวไปเราก็เลยส่งบุญไปให้เขาเหมือนกับคนที่เรารู้จักเขาต้องเดินทางไปแล้วเราเป็นห่วงยายเขาเราก็ส่งเงินไปให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีเขาไปกลัวเดี๋ยาจะเดือดร้อน การทำบุญก็เป็นเหมือนกับเงินโอนบัญชีโอนบัญชีเข้าบัญชีเขานั่นแหละ ว, ว, วิธีโอนก็ตั้งจิต<ม>อธิษฐานว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้แก่บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ร่วงรับไปแล้ว<ม>แต่บางคนเขามีเงินมากกว่าเ้าก็ไม่ต้องอาศัยเงินที่เราโอนไปให้เขา<ม>ถ้าเราทำบุญเองเราไม่ต้องรอให้คนบุญมาส่งบุญให้เราเพอเวลาเราไปเราก็จะมีบุญติดตัวไป มีเงินในบัญชีไม่ต้องรอใ้คนอื่เข้ามาโอนให้เราเราก็ใช้เงินนี้เที่ยวในสวรรค์กันสวรรค์นี้เป็นที่เราเที่ยวอยู่โรงแรมห้าดาวจะอยู่ชั้นไหนอยู่ดาวไหนก็อยู่ที่ยวทำมากทำมากทาน้อยทำน้อยก็อยู่ดาวเดียวทำมากก็อยู่ห้าดาว <laughs> ก็มีอะไรไหมก็พูดไปเรื่อยๆนะก็เมื่อกี้ให้พรแล้วก็คงไม่ต้องให้ซ้ำอีกนะเพราะว่าถือว่าความจริงพรก็เป็นการพูดแสดงความยินดีต่อการทำทาบุญของเราเ<ม>การให้พรนี้ไม่ได้ให้บุญกับเราแต่อย่างใดโยมไม่ได้บุญเพิ่มจากการที่พระให้พรบุญโยมได้เต็มร้อยอยู่แล้วพระจะให้พรหรือไม่ให้พร การให้พรนี้เป็นเพียงการเป็นการสอนหรือเป็นการแส ด, ดงความยินดีว่าเออเป็นการกระทำที่ดีน่าส่งเสริมคนททำบ่อยๆเพราะทำแล้วจะให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพาละมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีจะจะอยู่ต่อก็ได้จะไปก็ได้นะเพราะเรายังต้องมี ผู้ชมทางบ้านนี่กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย a c e b o o กกับยู u ูบเนวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ะวันนี้สูงสุดสารหกสิบค่ะทาง u t u b e สูงสุดหก2ิบสค่ะ6กสิบสองยูทูวันนี้สูงอะนะแล้วสัญญาณนี้ดีไหมตั้งแต่ดีอ่าก็มีคนติดตามทางบ้านเขาจะส่งคำถามเข้ามา ได้นักหยิบหนังสือได้หนังสือซีดีนี่เอาได้ตามสบายเลยใครอยากจะไปก็ได้นะใครอยากจะอยู่ก็ได้นะไม่ได้ห้ามเดี๋ยวเราจะถามตอบปัญหากันต่อไม่ต้องเกรงใจถ้าจําเป็นจะต้องไปเข้าไปนะ้แต่ยังไม่อยากไปอยากจะนั่งฟังต่อก็อยู่ได้ ีอี่บอกี่าข้างหลังได้เสียอ้าวถาม YouTube มีไหมชาลานมาบ้ายังไม่ม า, เ, า, เ, าเชิญถามได้เลยคาถามทาง YouTube จากคุณพลิศดีค่ะคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยตายไปจะเป็นอย่างไรครับมันก็ไม่เกี่ยวว่านับถือไม่นับถือ เกีที่ว่าทําบุญหรือทําบาปหรือเปล่าคือการกระทําบุญทําบาปนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนามันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอถ้าเราทําทําทําดีทําให้คนอื่นเขามีความสุขก็เรียกว่าบุญถ้าเราทำํำร้ายคนอื่นเขาทุกข์เขาเดือดร้อนก็เรียกว่าบาป <từ. S 1> เมื่อทําบุญทําบาปมันก็จะมีผลตามมาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี mm. ้ว่ามา ถามจากคุณสัชิธรค่ะคารว่าสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับได้ใครปฏิบัติสร้างธรรมะที่ทําให้บรรลุธรรมได้ก็บรรลุได้ถ้าทําถ้าออกบวชได้เออถ้าอยู่แบบนักบวชได้ถ้าถ้าเป็นคาราว่านี้มันจะลําบาก เ, เพราะว่ามันยังเป็นเรือที่ยังไม่ถอนสมอเรือเข้าใจไหมเรือจะไปได้มันต้องถอนสมอเรือก่อนอะไรเป็นสมอเรือ ก็เนี่ยทรัพสมบัติข้าของเงินทองครอบครัวอะไรต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเหมือนสมอเรือถ้าจะให้เรือออกวิ่งได้นี่ต้องถอนพวกนี้ก่อนต้องต้องสละไปถ้าไม่บวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชอยู่แบบไม่มีอะไรไม่มีภารกิจอะไรนอกจากภารกิจในการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นให้บรรลุธรรมคือต้องมีศีลสมาธิปัญญา การที่เรากลัวหรือประมาท ก, การเข้าสังคมพบปะผู้คนเป็นการขาดสติอย่างหนึง่งหรือไม่เจ้าคะสติก็มีส่วนแต่ตัวที่เป็นตัวสําคัญก็คือตัวโมหะตัวความหลงเราเรายังไม่มีความ <c oughs> มั่นใจในตัวเราหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าเราเออ่ คือความกลัวมันก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไม่รู้จะพูดยังไงดีหาคำตอบไม่ได้ <c ười> คือเราเรากลัวคนเราอาจจะกลัวเพราะกลัวเขาจะตำหนิเราหรือเปล่าเราก็จะไม่อยากจะเข้าสังคมหรือเรากลัวเพราะว่าเราน้อยน้อยหน้ากับเขาหรือเปล่าออฐานะทางสังคมเราอาจจะด้อยกับเขาหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เรากลัวไม่อยากจะเข้าสังคม หรือว่าเรามีการกระทาอะไรปกปิดการกระทาที่ไม่ดีไว้หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะไปไปพบไปเจอใครกลัวเดี๋ยวเกิดเขาเขารู้ความไม่ดีของเราเราก็จ ะ, อ, ะอับอายขายหน้าดังนั้นความกลัวมันก็มีมันมีเหตุเพียงแต่เราต้องค้นคว้าให้เจอว่าเหตุของความกลัวของเราที่ไม่เข้าสังคมนี่มันเป็นอะไร มันไม่ใช่อยู่ที่การขาดสตินั่นไม่ขาดสติคำถามจากคุณหน่อยน้องสาวไปปฏิบัติธรรมแต่พ่อแม่อยากให้แต่งงานจะมีวิธีพูดกับพ่อแม่ให้เข้าใจให้เข้าใจอย่างไรดีคะยมเห็นน้องไปทางธรรมแล้วเห็นได้ชัดว่าน้องสาวมีความสุขและน้องสาวเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างชัดเจนเมื่อไปปฏิบัติกลบขอคําแนะนะําค่ะก็บอกอย่างที่หนูบอกนะี่บอกไปตามความเป็นจริงเนี่ย ว่าน้องเขามีความสุขกับการปฏิบัติธรรมเขาทุกข์กับการแต่งงานจะไปให้เขาพออยากให้เขาสุขแลืวออยากให้เขาทุกข์เหรอก็ท่า น, นั้นเองคำถามจากคุณเพนพัน์ค่ะเมื่อคืนคิดว่าเพิ่งเข้าทันิกาสมาธิได้มีความอิ่มเอิมใจแต่ขณะนั้นรู้สึกว่าให้ใจเรามองไปเรื่อยๆไม่นานก็ออกจากสมาธิ ทำอย่างไรให้อยู่นานๆนนคะหรือฝึกหัดไปเรื่อยๆคะเ อ, อ่อก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นตัวที่จะให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานก็คือสติถ้ามีสติมากก็จะมีกําลังดึงใจเข้าไปข้างในได้มากถ้ามีสติน้อยก็จะดึงใจเข้าไปได้ไม่นานเหมือนชักกระเยอะกันใจนี่จะถูกกิเลสดึงออกอยู่เรื่อยๆกิเลสมันชอบดึงให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสนี่เราไม่อยากจะ ไปทางนั้นเราก็ต้องใช้สติดึงเข้าไปเหมือนชักกระเยาะกันถ้าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะถ้าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสใจก็จะสงบแต่จะมีกําลังมากกว่านานหรือไม่นานบางทีมีกําลังมากเพียงแต่พอให้ดึงเข้าไปปั๊บแล้วพอก็หมดกําลังนี้ก็เราก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นวิธีจะทําให้สตินี้มากขึ้นก็ต้องหัดจเจริญสติตลอดเวลา ก่อนที่เราจะมานั่งวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธีด้วยกันกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นวิธีเจริญสติแะที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทโธเรานึกถึงพุทโธพุทโธไปเราก็จะมีสติขึ้นมาแล้วอการสามสิบสองนีมันเจริญสติหรืวก็ก็เจริญสติเหมือนกันทำไมไปคิดอะไระเชิญคำ ถ, ถามจากคุณจมอมลักษ์ค่ะ ข้อที่หนึ่งการถือสีนห้าหรือสีนแปดแต่วันต่อวันได้ไหมคะแม่วันต่อวัน <c oughs> เป็นวันวันมันก็มันก็ต้องถือเป็นวันวันไปนี่เพื่อนวันวันนี้ถือพวกนี้ไม่ถืออ๋อ <c oughs> ก็เหมือนไปทำงานเะถ้าวันไหนทํางานก็ได้ค่าจ้างวันไหนไม่ทำงานก็ไม่ได้ค่าจ้างาแล้ว อ, อ่ รับหายได้ไหมคะอ๋อก็วันนั้นขาดไปก็เหมือนกับทํางานไม่ครบชั่วโมงเขาก็ก็รายได้ไม่ได้เต็มร้อยเหมือนกับเราทํางานเขาจ่ายแปะ เ, เราทําแค่หกชั่วโมงเขาก็จ่ายแค่หกชั่วโมงถ้าเรารักษาสี่ได้สี่ข้อเราก็ได้แค่สี่ข้อข้อที่ห้าเราไม่ได้เราก็ไม่ได้คําถามจากคุณบุญทรง ถ้าถือศีลแปดดูทีวีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกอแต่ไม่ควรจะดูจะดีกว่าเพราะอยากอยากจะให้ดูใจไงเนี่ยที่ให้มาถือศีลแปดเพื่อให้เรามาดูใจดูว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีพุโทโธหรือไม่มีพุโทโธให้ดูตอนนี้จะดีกว่าแต่ถ้ายังจําเป็นจะต้องดูอยู่ก็ยังดูได้อยู่แต่ไม่ดีเท่ากับไม่ดู เพราะเดี๋ยวมันเพอเดี๋ยวจากดูจากพระพุทธเจ้ามันจะไปดูอะไรต่อก็ไม่รู้อตอนต้นมันก็อ้างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวมีอะไรแซรก็ามาหน่อยไปลนะอยู่ปนๆกันนะ ชีวิตแล้วดวงวิญญาณท่านจะจําลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับบางคนก็จําได้บางคนเขาก็สามารถมาติดต่อกับลูกห ล, ล, ลานหลานได้บางคนก็เข้ามาเข้าฝันได้คําถามจากคุณนิสาชนทําไมเราไม่ได้เกลียดอะไรเขาเราคิดดีกับเขาเขาถึงเกลียดเราคะใช่เป็นกรรมไหมคะไม่หรอกก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบเราเขาก็เลยเกลียดเรา อาจจะเป็นพ่อชาติก่อนอาจจะเกลียดกันมาก็ได้มันก็เลยติดตามกันมาคำถามจากคุณจกักริดเมตตานุสติเจริญยังไงครับเนี่ยนะเวลามีขนมก็ไปแจกคุณนั้นคนนี้แต่ความจริงคาว่าเมตตานุสติก็คือเขาให้ใช้การท่องบทเมตตาเป็นการเจริญสติแทนที่ช่องพุโทโธแล้วก็ท่องสัพเพสัตตาอเวลาโหรตุ สัตเปสัตตาอัปบบยาปชาโหตุต้องไปเรื่อยๆเหมือนสวดมนต์สวดไปก็จะเป็นการเจริญเจริญสติมากกว่ายังไม่ได้เมตตานะเมตตายังไม่ได้ใช้แตใช้เมตตาก็ต่อเมื่อเนี่ยเวลาเจอกันแล้วทะเลาะ ก, กันแล้วก็ว่าไม่เป็นไรยอมแพ้ให้คุณชนะไปหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือมีขนมอะไรก็มาแบ่งกันมาแจกกันอย่างงั้นถึงจะเรียกว่า ให้เมตตาต่อกันแต่เวลาที่เราสวดไปสัพเพสัตตาเวลาของตัวนี้มันเป็นเพียงเป็นการเจริญสติเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คำถามจากผููประสงออกนามค่ะหากเราเคยภาวนาจนจิตรวมดีและพิจารณาทางปัญญาต่อโดยพิจรารณาจากทุกเวทนาทางกายจนหลังๆจิตฟุ้งซ่านมาก พยายามกลับมาภาวนาพุโทโธเพื่อให้จิตสงบก็ไม่ได้ขอพระอาจารย์แนะนำหน่อยคะก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาสิถ้าสมาธิเรายังไม่แก่งอย่าเพิ่งออกทางปัญญาพยายามฝึกสมาธิให้มันชำนานก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการแล้วเราค่อยออกไปทางปัญญาเพราะว่าเวลาไปทางปัญญานี่มันอาจจะฟุ้งขึ้นมาได้อาจจะทุกข์ขึ้นมาได้ถ้าเราสู้กิเลสไม่ได้ ถ้าเราสู้ไม่ได้อย่างน้อยเราก็ยังใ ช, ใช้การเข้าสมาธิเป็นการหยุดกิเลสได้แต่ถ้าเราเข้าไม่ไม่ชนาญอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้ยังนีอย่าอย่าไปกลัวว่าอนจะติดสมาธิเรายังไม่มีสมาธิเรายังต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้มันชำนาญเหมือนขับขับรถเนี่ยก่อนที่จะไปขับบนท้ทองถนนใหญ่ได้หัดขับแถวบ้านก่อนหัดขับตามตามซอกตามซอยที่ไม่ค่อยมีถนนก่อน อัดขับให้มันชำนาญก่อนพอชำนาญแล้วเราค่อยขึ้นถนนใหญ่เผื่อเวลามีความจำเป็นเราจะได้ควบคุมรถได้ใจเราก็เหมือนรถยนต์เนี่ยถ้าเรายังหยุดมันไม่ได้เราเอาไปวิ่งถนนใหญ่เดี๋ยวเวลาถึงเวลาจะต้องหยุดมันหยุดไม่ได้เพราะการใช้ปัญญามันต้องใช้ความคิดอย่างนั้นบาววงทีคิดไปแล้วเผลอคิดไปทางกิเลส เราคิดไปในทางกิเลสแทนที่ใจจะสงบมันกลับร้อนขึ้นมาวุ่นวายขึ้นมายัางงั้นต้องพยายามหัดสมาธิให้ชํานาญก่อนให้มีความมั่นใจว่าทุกครั้งจะเข้าสมาธินี้ห้านาทีต้องเข้าได้ละพุโทโธพุโทโธพุทโธห้านาทีต้องสงบละถ้าอย่างนี้แล้วค่อยออกไปทางปัญญาแล้วอย่าไปออกตอนที่ยังอยู่ในสมาธิตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เป็นการออกเป็นาการออกทางปัญญา การอยู่ในสมาธินี้ให้มันนิ่ง น, น, นานๆตอนที่มันนิ่งอย่าไปใช้ปัญญาเราให้มันออกจากความนิ่งก่อนพอออกจากความนิ่งมาเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนั้นต้องใช้ปัญญาแล้วคาถามจากคุณเมทาวินผมนั่งสมาธิโดยการนึกภาพหลวงปู่หลวงพ่อที่นับถือโดยนึกวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมครับควจะนึกเอาองค์เดียวนี่่า ต้องการให้มันนิ่งให้อยู่กับองค์เดียวองคไหนก็ได้แล้วเพ่งจะกระทั่งจิตมันสงบถ้ามันหลายองค์แล้วมัน ม, มันปรุงแต่งมันจะไม่นิ่งคำถามจากคุณนพล ค, ค่ะคำว่าหินทับยามีประโยชน์บ้างหรือเปล่าครับหินทับยาก็หมายถึงสติไงที่ไปกดกิเลสไว้ทำให้จิตสงบเป็นสมาธิแต่พอถอนออกมา พอพอสติอ่อนกำลังลงะ่ะกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่คำถามจากคุณชิราโรดนั่งสมาธิหลับตาไม่เคยเห็นความมืดเลยจะเห็นแสงแวบๆบแบบตลอดมีอยู่ครั้งหนึง่งไม่เห็นแสงเลยมีแต่ความมืดตกใจกลัวมากมันคืออะไรไม่ทราบครับก็เวลานั่งอย่าไปนั่งเฉยๆไงอย่าไปนั่งดูให้นั่งพุทโธพุทโธไปหรือนั่งดูลมหายใจไป เวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรกากับใจแล้วใจจะสงบใจจะไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมาถ้ามีก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วใจจะปลอดภัยใจจะนิ่งใจจะสงบใจจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไว้พออะไรโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวใจก็จะวุ่นวายขึ้นมา ถามจากคุณพรธนาถ้าเรารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราเอาเราไปว่าให้คนอื่นฟังเราควรทําอย่างไรคะพระอาจารย์เราก็ควรจะปล่อยเขาเนี่ยเราไปห้ามเขาได้ป่ะเราไปอยากให้เขาไม่ทําได้ไหมป่ะอยากแล้วก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆก็เป็นเรื่องธรรมดาให้คิดว่าอยู่ในโลกนี้มีทั้งสรรเสริญและมีทั้งนินทาเวลาข้าเอาเราไปชมเราไปห้ามเขาป่า ใช่ไหมเมื่อเราไม่ไปห้ามแม่เขาชมเราก็อย่าไปห้ามแม่เขาด่าเราเป็นเรื่องปกติที่เราห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้มีอะไร ไ, ไหมคาถามจากคุณพนุษยดีค่ะพระอาจารย์ครับแล้วเราควรจะแนะนำคนที่ไม่ไม่นับถือศาสนานอะไรให้นับถือศาสนานไหมครับถ้าก็ไม่สนใจก็อย่าไปแนะนำต้องให้เขาเกิดความสนใจ ถ้ า, าอยากจะรู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรอย่างนี้ยเราก็แนะนําก็ได้อยากจะรู้ว่าศาสนาพุทธเขาทําอะไรก็พาเข้ามาวัดมาดูได้แต่อย่าไปพยายามดึงคนที่เขาไม่สนใจเลยท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเทน้ําใส่หลังสุนัขเห็นไหมเวลาเทน้ําใสหลังสุนัขมันทํางไง อ, อนั่นแหละเวลาชวยคนที่ไม่สนใจศาสนามาให้สนใจศาสนานี่เป็นยังไงอนั่นแหละ วรแล้วเลยออ ส, สองข้อสองข้อคำ ถ, ถามจากคุณพรเทพค่ะเราควรละลึกคำบริกรรมพุทโธให้ได้ตลอดบันใช่ไหมคะถ้า ล, ละลึกได้จะดีมากเพราะจะทําให้เราควบคุมความคิดได้ควบคุมอารมณ์ได้เวลาเรากโกรธล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวก็หายเวลาเราโลภเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็หายแต่อันี้เป็นเบื้องต้นยังมันยังไม่หายอย่างถาวรถ้าอ ย, อยากจะหายให้ถาวรต้องใช้ปัญญา ให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์การทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วเราจะเลิกอยากได้ทุกอย่างเลิกเลิบเลิกโกรธเลิกโงงได้เอาอีกข้อนึงคำถามจากคุณป้อมเวลาที่มีคนโกรธลูกลูกพยายามใช้วิธีนิ่งภาวนาพุทโธแต่บางครั้งรู้สึกน้อยใจและรู้สึกโกรธถือว่าไม่มีปัญญาใช่ไหมคะ ถือว่าถว่ายังไม่พูดโทถ้าพูดโทไปเรื่อยๆมันจะไม่มีความรู้สึกต่างๆถ้ายังรู้สึกอยู่ก็พูดโทไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดแต่มันก็จะหยุดชั่วคราวพอเราหยุดพูดโทแล้วเราไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกก็จะทําให้เราน้อยใจได้ถ้าอยากจะให้ไม่น้อยใจก็ต้องพิจารณาว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะดีหรือจะร้ายกับเรานี่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราต้องยอมต้องปล่อยให้เขาทําตามเรื่องของเขา แล้วเราก็จะไม่น้อยใจเราอย่าไปอยากให้เขาชมเราอย่าไปอยากให้เขาดีกับเราแล้วเราจะไม่น้อยใจเวลาเขาไม่ชมเวลาเขาไม่ดีกับเราเอาลนะเนี่แค่นี้ก่อนนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด <c oughs>